สิกขาบทที่สาถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินคลุมศีรษะไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพักคีเดินคลุมศีรษะไปในละแวกบ้านในสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา